จะเดือดแบบนี้ทำยิ่งนิสัยเลอ้าทำยิ่งเดือดเนะทยิ่นกมคนอมันเอบอกอากออกเก็บเงนคือมานก็บเงินมาเงินเก็บ สายไหนสายใหญ่ยัมีอยู่อันนี้ทางที่ทางหน้าตากังเืสุกพสุพรรณก็เป็นทางเดิมของทที่ส่วนใหญ่ๆมีอยู่งนี้อนนี้ปยานุ้มก็นีเป็นหลักแันก็ตีนแขนของตนมาต้นหน่แตกแขนก็นขึ้นหรือกับต้นหลักใหญ่นี่เป็นหลักสคัญอันีความสี่งตาสกพรห ที่มาทีันจะไปถึงไหนครับแพรประจาจะดที่มีมีคุดภากมาลงมีสังเคราะาตาันนี่เป็นเป็นทางคลื่นฐานเป็นทางเดินที่่ักลึงที่เราเกิดกัน โอ้ประกอบการกัรนสามารถเราว่าจะเป็นโมฆที่มีการขัดขวาเพราะว่าะป็นโมฆะสามขาสามพระพุทเจ้จะทรงรุ่งทรงดุที่ทรงรุ่งทรงดุจะยกขึ้นด มีปรม a งตะปูทิฏฐา a ีทุกข์อดกมขังกันปรมังปรมังบารมีบุตราเป็นการ โปรตีนจากโรงนกับปฏิพันธ์อนเยี่ยมทั้งนั้น่งทางกระถาคือตะกั่วสารกึ่งนำเาในทำความถูกั้งพวงคือทังคือกลือตะกั่วคือเกลืทุกขั้นดอ การดังความสลับเป็นกล้องความสลักเจ้าะไรสลับเขมาจิตจิตนี้สลักเจอสลัละเจอลับกุศลแต่ากลับกุศลแล้วความสลาดความสลาบเป็นผลบุญก็เป็นผลเป็ะหลักหาความจิตเจอตร์ไหนต้อมีความสลับหาเรียนตายในสิตจะิตจะไปอยู่ระดับนั้น ตนคงแพ้เมือสบนตังวิชาศาสนานี่เป็นคำสอนของพระเจ้านะฮะไปยายไปต้งบอกว่าโนปบาโดนปคาโดนว่าไปเป็นไปย้ายในการไม่ตกไปกล่าวเม่กล่าวร้ายไม่เบียดเือไม่ทาลายคนอื่นับคือเราเป็นศีจะตั้งอะไรีักหรบ การทำบุตรจะพัตนาสิที่จะเปนน็นการจินจาการใชปการังจเบืัองา น, านให้เป็นผิ้ดีในตัว น, นานที่เราพี่นอนกนต้องอะที่จิตเจจะอายุตัวทำจิตใมันยิ่งไม่ให้ย่อนสรรมะภาพ มีสิเห ล, หหลือ ท, ท, ลทังหลายอย่า ย, ย, ท, ยทางท้งลายโดยการบูชาสารงนี้เป็นคำสั่งที่จะทั้งหลายอีกเช่นเดียวกันหลังเป็นนนก็หมดมันผือเยายาะิดยิงไม่ได้ติดเป็นไงติดกล่ส ไ, ไม่ไิดยังไงคิดกไส พุเข้ากัเพื่อความที่เฉียบที่ข้างความมั่นควาแท้เนี่ยขยันแต่ความต่ำสมงอ่อนกลิ่นภัยแต่กิลสจากเชื่อความตองแท้นั้นประว่าสตร์ตัวอทําประไ่านเลยเป็นประหลัดวันนี้มูตะตายมูตะโกยเนี่ยมูตะโกยมาจากที่ที่เหลือ้กตเอง สิทธิ์ย า, ค, า, านนความเป็ร่ ม, รมาอย่างไรความตลาดนี่มันคือพลังตะโผ่สิทธิ์ขาสิทธิความอดทนสิทธิ์ขาความอดกลั้นนี่ยมันทำงานอยู่อยู่ที่ไหนถ้าม่อยู่บคนตรงนล้อคนย่าละอดทนเป็นผิดหลวงของเราเล่าปที่รับผิดชอรานอคนทุกคน มูลกรรมฐานมัเป็นสำคัญให้สอนไว้ฝึกติดตายตัวไปเลยหาที่ฆ่าเลยมูลกรรมฐานเสียสาวลมมานะคะมีตาตาโตน่ะัตว์ลมานห ล, ลงหลังอะไรลุห น, งนังออกง่ายง่ายเปที่ไหนผมที่สามก็ กอให้เป็นภัยแ่บนบ้างหัวใจเป็นภัยลุดักผมดักผมของเต็มหัวหัวนึ่ัหมดกอดักม้งนี้หลงจะ็รนคำพิจารด้วยตกตกถนนต้งฝั่ดูนะ ร่ะเวลาเป็นแบบจแปลงแค่กระต่ายหมคนเป็นพันพันหมื่เพราะความหลเงินทางลือแปลงเลืกเือกขวกแปลงาคะเลกเลืกมเอกคนกมาอะไรครับกอะไร ไฟมันเป็นกระดูกเนียกไฟมนถึเรียกกรดูกมีแหล่งความทีกระดอรหนลุออกมาที่หนาวคนทลุออกมาทั้งตัวนเดียวกระตัวนดูได้นี่แฟนโล่เลยช่างหนอนนีหนองเยอะบอกมาตัางี่างความหนาวมันไม่ เข่ากระดาษเลยทิศทางไรนก็อั๊บมัดข้าหนอกนั้นเองง่ายเพราะว่างนเกลียดงานก็เลกไอยูพงานเห็นกักความจริงที่นเป็นจริงนะล้วไม่สืนไม่ทิเดลียวเพราะว่าสวยว่างามทั่นเราาว่าหาดีควาไม่จริงน ข้อที่เดตขึ้นมาเดยความจริงไม่พอสิเดตก็หมดไปความตอารมันหมายทัหดดูนัลนคืนข้างวันดูมันเป็นหลังไปเลียนด้วยชาหลังทันี้มนกระดูกมันจบทีนในตัวตรงนี้หลังหายเลียนดูนหมดข้างบนข้างหลังขางในที่ไทยขยายไปมาหมดเป็นชัดร่างกายสัตวคุณ เก่าไหม่ออกมขั mmm. ้นมที่ยีหมดเขาต้องหยุดพวกเราต้องหยุดต้องพายเหมือนกันพายีุ่อเป็นสุกมีปัญญาฉลาดนานลำพังแล่ว่าถ้บอกมันสงบเองมันหุ้นเพราสิ่งอ่านี้เองมันหุ้นท้องปีนเกลียวปีนพางผที่านอานศักสนท ถ้ามีความสงยายาวยหงเข้าใจว่าจะมีความมันมีในขั้นสนาโค่นตึงข้นใจไม่สงบได้เป็นสิ่สำคัญาไม่สงก็ยังไม่เห็นคุณค่าใั้นสนาไม่เห็นคุณค่าของใจของอีกถ้าสนบก็เริ่มมีความแข็งแมากเสร็จก็เริ่มมีความหวังเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆพอสงบคันเดียวมันก็มีความหวังที่จะก้าวไป มีหลักมีเกณฑ์ภายในกา่ได้เจอนาเขามากเลยเก็ดีเขาหลบใครดีเขาลบมากปิจยาพระสุพรรณขังนราตาอะไ ร, ม, รไ ม, ม, มา ก, าากขาาาเขาหลกอันนี้มันเต็มด้วยสิ่งนี้ตอนนั้นมันหาความสวยวความงามความเกลียวมันจาก่งมันมตัดี่ไหนไม่มี้คอสังหารสิ่งไม่มี ตั้งเสร็จใชขึ้นแล้วก็เติดแต่ความจริงมัมีแต่อย่างว่าตามหลักธรรมแล้วนี่แต่กลองสุภาทางกรองจิตภาพตาเต็นของเขาเต็นเราหลังยาวพิจารณาไปอย่างนี้แล้มันจ ะ, จะตื่นไหมใจมันไม่ตื่นเต้นไม่ฟุ้งเฟอ้อแล้วมันเกาะสบายตอนที้ ส, สงบที่มันสงบเพราะใจมีกระเพื่อง ตตนั่โดดตันี่ว่านั่นจะดีอันนี้สั่ง้วจะงามนั่งจะผมพักสมหมายสมจุกสมแก้นั่งไม่มีอะไรสมครับออกนองรูนออกทางต้องทำยังหาความสงบไม่เกิดหาความสบายไม่เกิดพิณาตามหลักขันตอนอางนี้ยังไงต้องเกิด พาวนาวไม่สงบกับค้นมั น, นมันสงบกับการคน้นไปเราจะค่อยๆเอาความกระตือมาจากที่ไหนทำในค้นม่คิดจะไม่มีอัญญาอัญญาเม็นสิ่ที่ผลิตขึ้นไดจากการค้นการคิดชอบพิพจารณาแต่ไม่เกิดขึ้นเพราความที่เกี่ย ตอนที่เคกความปัญญาเกิดเนื้อจะข้องงอนจะเกิดปันญานไม่เกิดเงยเี๋ยป็จงอาภรณ์นี้สุภาลายกายนงยเดี๋ยวปีจงอานรณ์เวลามันเห็นก็ยิงจริงมัอาจจะชันกระโดสเขาเอะนน้ำตาเลือดนจดกันข่าไปมันเห็นประจักษ์ตับไกลจริงความเห็นเรื่อความคาด คณีเป็นอย่างนี้เราไม่เห็นดังนั้นเราก็ต้องคาดคณีไปเราต้องขาดต้องหมายต้องสมมขึ้นมาเพราะจิตติดสติสมมุติติดความคาดตวามหมายความสัมพันธ์เราเองน่ะมันติดติดมาเสื่อละงามอะไรเราไม่เห็นมีงามแต่มันมันเข้าใจเอาอย่างนั้นแล้วก็ติดความสง้งใทําคิดของตัวเองรักถนัดเป็นดีไปเลยความคิดของตัวเอง พิจารณาตามความจิมันกพระอ า, านในการุของหน้าตาให้จิตมันพลังงานกรองตั้งก็สงบยังไม่เห็นประจักษ์ตอมนันไม่เห็นแม่น้ำก็สงบมีรามประจักษ์มันฝุดข้างหน้าฝึจ่อลงตาากาเราฝกมันเยอะเบอรหมดมันเนพิ่าพไปทุกเนี่ยทุก แขนแขนของร่างกายส่วนต่างๆยึดในกำหังมันพิจาณามันคุมส่างมเข็นทัดเกิเสร็จความที่เราทั้งนี้อยู่ด้วยกันเราไม่หลเคยเหนกันเลยึ้นมาเห็นกันวันนี้หรือตายไห่มีตั้งแต่วันเสด็จทำไมจะฝันไม่โง่ทำไมจะฝันไม่รู้ทำไมเพิงมารูวันนี้มาเห็นกันวันนั้นนี่คือคือ ร่างกายขาดส บ, บันลงไปขาดส บ, บันล ง, งไปมันต้องตกลงไปกระจายลงไปไม่เห็นชัดเจนดิพราั้นมก็ล่งเป็นที่รางการต่างก็ลงากาสภาพมานันก็ปล่อยเต็มที่อ ย, งยลงหายเงีไปต่คนี้ ากาเป็นอ า, า, ากาศสภาสร้างเป็นอาหความรูมันก็ว่างอยู่แลนะ้วตัวนี้มีกออก่อนถินคือเขาเกอแลาดเป็นนาความคความรู้ล้วนมันร้อนตัวเข้ามาสูความสงเป็นตัวลมนะรยๆเรื่นนนนาอานมพิจนาอี มันจเห็นตึกระนาดไดก็จับความลักษณะที่อยู่นี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องของเก่าที่เคยรู้เคยเห็นไหมใช่เห็นอย่างนั้นดังนั้นอย่างที่เคยเห็นนั้นไม่ต้องมันเห็นลักษณะใดก็เอาจับลักษณะนั้นขึ้นมาที่งานในปัจจุบันรู้มันไปอยู่สรุปความยงการที่จะนาการรู้การสอนศักดิะต่อไม่ยอมพิจารณ เพราะนี้แล้วมีเหตุมี้ลพอรู้จริงๆเนี้มันปล่อยคือประจายความคือการนี้หมดผนนามาทำพระเวทน า, ท า, าขาันญาติข่าววิญญาณเมือขึ้าเข้าใจถ้าเกิดเช่นเดียวกับส่นรูปคือกานี้แล้วมันก็ปล่อยีมันพอแล้วมันปล่อยพอเข้าราเกนนินหนักหนักปล่อยเข้าเข้าถึงตัวจิตซึ่งเป็นสมมุติท่านเอท่านเดีย ให้หยิดจุดเป็นดเป็นพาธณะของภพของชาติเสียวิชาห้ามหันเข้าระงั่นพึนาโดยมั่งเ น, น, นี่ยนัปนาสเสียอการพุทธของตานีในใจนั้นเพราะคาเป็นส ม, มุติอยู่สมุติยังมีอยู่ในหัวใจใจจึงกาดจึงมีเป็นส ม, มุติจนาเข้าไป มันรล่าออกมาแล้วมันก็ปล่อยไงฟังสิจะถือวท้ทําไมรู้แล้วถือไว้ทําไมมันสะระดับบางทีข้อสิ่งที่ถือไวท้ ท, ท, ไวทั้งหมดมันเป็นเรื่องของที่เดีวเป็นเรื่องอุปทานเป็นเลียนเป็นน้ำทั้งนั้นทั้งส่วนใหญส่วนกลางส่ว น, ว น, ว น, วนละเอียดเพื่อนได้เกิดเ่วนตรงน้ําส่วนว่าเกิดอุปทานความกำลวลจิตใจมากน้อยจะ ต, ตามส่วนความดีความชั่ เวลามนันรู้รอบส่วนไหนแล้วมันก็ปล่อยส่วนดาบรู้รอบแล้วก็ปล่อยส่วนกลาง ร, รู้แล้วแล้วรอบแล้วก็ปล่อยส่วนละเอยียสุดไปติดกับเชื้ออย่างพวกที่ฝังอยู่ภายในรู้รอบแล้วก็สลับตัดทิ้งนะรู้แล้วต้องปล่อยให้มันไม่หยุดสุดท้าันแลือแต่ความมือสุดต้นรัวจะคิดจะถืออะไรมันพอพทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แราเดืาหามกันว่าทำไมไมึเป็นของกินแล้วไม่ต้องรักษาไม่ต้องยึดไม่ต้องหิง้ไม่ต้องห่วงเรียกรนกันกินอันหนึ่งไม่มีสองจะเป็นห่วงเพื่ออะไรรักษานีนเพื่อนะั้นรักษานั้นเพื่อนนี้ไม่มีฮะนิพพานตระมัาางสุก ข, ขงังจะว่าเป็นไหนไม่ว่าเป็นธรรมชาติตากุดตัวขึ้มนมาใไใจจะเอาอะไรมาว่านิพพานเป็นได ทำให้เหปกาสจิัจจัยแต่วนิพพานเป็นบริลงสุดได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งนั้นนิพาเป็นยอดเยี่ยขอยอเยี่ยมอะไพระไทยท่านี่บริสุทธิ์ทั้งรุ่นั้งเนี่ยีอเไรยอดเยี่ยมนึงอย่างว่าใจคอ้นกสิเด็ดท้งทั้งหลาย่าโกสมุทต์ย่มมีอะไรควรกั ปูกตะนีรากาด้วยว่าหความพิเร็ดมันก็ทักมาเห็นอะไจะทำได้เห็นแล้วต้องรัดต้มตัดปาทิ้งกดแสดงความพข้าใจเข้ามาอันเป็นคนไม่ร่าพิเรดนี่เองหาค้างสู้ออกไปในตางแดนที่จะเป็นนั่งเลิกความก็ะหยิ่ในความเปนนั้นจับเพาะเราไม่เคยมีวาสน เวลาสังสมวิเศษทั้งวันทั้ทงคื น, นอาวาัตนามาจากไหนไม่เอามาคำมั่งหรือมาเทีย่ยนจะทำอะสังสมวิเศษเป็นของเกี่ยชาะมุกมันเป็นเครื่องเขาลุ่มๆจแพ้ทาไมถึงสั่ผมได้มันไม่ร้อนหรือถึงเวาจะไปมาี้เลทั้งีได้จะฆาก็เอาจาับตัวทำไมฆ่าไม่ได้หาว่าหมดตําหนากยังไงนห่เราเอาไปมาขี้เองไม่ว่ตถนามาจากไหนร้อนทั้งร้อนจะแจะ ต, ตายทนถูกมันเพนโง่จริน เลยคนตายไปแไล้วหลายว่างนั่นที่สอนเรื่องของนี่ว่าปัญญาพลิกอย่างนี้เออเราจะรูอถอ้ถ อ, อนตอนแล้วพ้นจากทพทำไมเอาความชอบความขวัญมาเป็นเครื่องจีบฝังเข้าใจแล้วจะไปได้หรือเมื่อมีสิ่งจีบฝังอยู่แม้แต่ทางเดินมีไม้ล้มทับทางไป น, นานจีบใจเมื่อมีที่เครื่องจีบฝังอยู่แล้วมันจะไปได้ไหแล้วจะเบิกจะเพิ่จะถอนมันออกเบ้องวิธีใดถ้าไใช่ปัญญา อย่างที่อธิบายมาระกี้ฉันั้นลองบอกว่ า, าถึงแดนพ้นภูกแล้วใครจะว่าอะไรนี่ถึงตอนนี้มันยคสนุกดูผันโลกดูมนุษย์มันนาาดูที่อยู่ในวงสุนทรสนุกดูดจริง เวลามัมันมีภาระอะไรเงี้ยเราจะดูอะไรก็ได้ดูเวกับโต้เกกเมาเทียบกันระหว่างความรู้ที่มีที่เหลือครอบนำอยู่กับความรู้ที่พ้นจากที่เหลือแล้วกันเนี่ยใจมันรู้อะไรแบบนี้ครับปัญญาที่บ้านมันกวนขานขั้ง